Oh, oh, oh. ที่เราฟังทำกันอีกก็มาพิจารณาว่าจะให้โยมฟังทำอะไรเนาะเพราะคนฟังก็เริ่มฉลาดขึ้นไปเรื่อยชักจะหนักใจเหมือนกันนะเริ่มรู้เท่ารู้ทันนะพระยะถาสัพพีผิดนี้ทักเลยนะ รู้รู้รแต่สิ่งที่รู้ที่สุดหลักศาสนาก็คือคำว่าปัญญาคนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญาปัญญายะบริสุทธิ์ชัตติคำนี้ดี คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญาถ้าคนไม่มีปัญญาเหมือนเรือที่ไม่มีหางเสือเหมือนการเดินทางที่ไม่มีแผนที่จะมาบอกได้เลยว่า ไม่สามารถข้ามจากโอคะวังวนแห่งสังสารทุกข์ได้สุดท้ายจะมีแต่ความมืดปกคลุมชีวิตของคนๆนั้นเดนิธรรมาเริ่มกลัวความมืดแต่ไม่ใชกลัวสิ่งที่มืดเข้าใจกันนะ เริ่มกลัวกัเพราความมืดคือสิ่งที่ไม่รู้แจ้งแต่ไม่ได้กลัวสิ่งที่เป็นความมืดหมายถึงว่ากลัวความไม่รู้ทำให้เรานี้มืดจากปัญญาจุดนี้จึงบอกเราจะเป็นผู้ใหญ่ได้เมื่อไหร่ สิบเจอปดสิบเกยี่สิบยี่บเอ็ดนับไปเรื่อยๆยี่5บสองยี่บห้ายังไม่ได้บอกภาวะความเป็นผู้ใหญ่นั่นอายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นยมเชื่อว่าเด็กสามขวบเป็นผู้ใหญ่ก็มี วางตัวก็เหมาะสมคําเจรจาก็งดงามควรค่านิยมทุกอย่างเขาวางได้แม้ความคิดก็สมกับวัยที่ตนมีอยู่ฉะนั้นจะรู้เมื่อไหร่ว่าลูกของเรานี้ โตแล้วเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่โตวัดได้ร้อยปดบห้านี่ไม่ใช่นั่นมันส่วนสูงวัดความกว้างนีโอ้รอบเอวนี่มันขึ้นตั้งส2สองแล้วน้ำหนักเจ8 0บปดอยากเข้าใจว่าเป็นผู้ใหญ่โดยแบบนั้นพระพุทธเจ้านะเคยแสดง ต่อพิกษุทั้งหลายว่าพิษุผู้อาวโุโสกิ่งๆทางศัพพระถ้าผู้มีพันสามมากกว่าเขาเรียกพันเตเทระพระเทระพันเตอาวุโสนี้คือยังเป็นผู้น้อยกว่าแต่พอมาศัพท์ทางโลกของเราเนี่อาวุโสเหมือนสูตรหนึ่งที่ปันติวคีทั้งห้า ใช้คำนี้กับพระพุทธเจ้าว่าอาวุโสพุเจ้าบอกอย่ากล่าวเช่นนั้นเป็นวาจาที่ไม่เหมาะแต่อาวุโสถ้าเรามาพูดกันเข้าใจเหมือนว่าคนที่มีอายุพุเจ้าบอกไม่ใช่คนอายุมากคือคนอาวุโส คนที่อาวุโสคือคนที่มีคุณธรรมยิ่งกว่านั่นคืออาวุโสเหมือนในครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสรู้ตอนนั้นอายุจาก29บวกอีกหเท่ากับส5สบห้าถูกต้องมีพูดเองเออเองนะถูกต้องหรือเถียงเถียงก็ไม่ชนะหรอก เพราะเคยนับนิ้วมาแล้วย9 30, 3บเก 33, ส4 3ส6อสองสสหนิ้วพอดีตอนนั้นตรัสรู้ที่อายุส5สห้าพระพันษามีพระราชาได้ทูลถามพระองค์ว่าพระองค์ยังเป็นผู้น้อย กว่าเจ้าละทิที่มีอายุมากกว่าละทิใหญ่ๆเขาก็เยอะมาก่อนพระพุทธเจ้ามาสรุปบอกดูก่อนมหาบอบผิดไก่ที่กบไข่ถ้าไข่ฟองใดหรือฟองไหน ที่ได้เจาะแล้วก็ฟักออกมาเป็นตัวก่อนไก่ตัว น, นี้ถามว่าเป็นพี่หรือเป็นน้องมหาบพิษใครเป็นผู้แก่กว่าไก่ที่ฟักก่อนเป็นผู้แก่กว่าพระยบอกฉันใดบัดนี้ เราได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วมาบมพิษเธออย่าดูถูกว่างูนั้นตัวน้อยนิดเมื่อเจอพิษตายนะเธออย่าดูถูกว่าไฟอันน้อยนิดเมื่อติดขึ้นมามันเผาได้ทั้งเมือง เธออย่าดูถูกแม้พระราชายังเยาว์วัยสั่งประหารได้สุดท้ายเธออย่าดูถูกแม้พิสุผู้บวชวันเดียวสุดยอดเลยครับแม้พิสุผู้บวชวันเดียวในวินัยมีนสมัยที่มีออพิษุนีอยู่ใน ครั้งพุทธกาลนั้นแม้จะบวชสักกี่ปีพันศามาก็ตามเมื่อพิสุบวชใหม่พิสุนีต้องให้ความเคารพกราบพิสุผู้บวชใหม่นี่คือวินัยที่ได้มีไว้ในครั้งพุทธกาลฉะนั้นเราดูถูกไม่ได้ ถ้าพิสุองค์นั้นท่านเพียรเพ่งปฏิบัติจิตของท่านหลุดพ้นอย่าว่าแตบวชวันเดียวขนาดใบมิดโกนโกนหมดแค่ซิกเดียวครึ่งเดียวบรรลุก็มีเห็นความเกิดดับเห็นความร่วงไปใจมันว่างไม่ยึดมัน สรรพสิ่งทั้งหลายในโลกเป็นทุกอย่างอานิจจาทุกอย่างไม่ตั้งอยู่ทุกอย่างมีแต่ความแตกดับสุดท้ายจิตนี้ไม่ควรยึดใดๆทั้งปวงโลกนี้ที่สุดก็ว่างเปล่าชีวิตนี้สุดท้ายก็แตกดับจิตนี้ไม่ควรยึดสิ่งใดใดอีก ทมที่เกิดเวลานั้นที่เรียกว่าเกิดภายในจิตรู้เห็นทมตามธรรมที่ปรากฏจิตในจิตนั้นๆเขาบรรลุจริงๆนะแล้วไม่มีคำว่า ก, กำเริบอีกเลยเหมือนตาหนยอดด้วนจะรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยยังไงก็ไม่งอก นี่คือสับในครั้งพุทธากาลเปรียบเหมือนอรหันต์คือตานยอดด้วนไม่งอกอีกแล้วเจ้บอกเออจะดูถูกแม้พิสุผู้บวชวันเดียว ความบริสุทธิ์จุดนี้แหละมันคือแสงสว่างแห่งความพ้นทุกข์ทั้งหมดเรามาบอกเออมิหน้าพระพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้แล้วยกเป็นสามหัวข้อหลักใหญ่ ห, ญหนึ่งพระปัญญาทิคุณ สองพระบริสุทธิ์ที่คุณสามพระมหากรุณาธิคุณสามหลักนี้เป็นหัวข้อใหญ่การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหนึ่งพระปัญญาที่คุณ ตมาจึงบอกว่าความบริสุทธิ์กับปัญญาสุดท้ายแยกกันไม่ออกแต่มีหน้าที่ต่างกันตรงที่ว่าปัญญาเป็นแสงสว่างนำพาชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและถึงความหลุดพ้นจากวัฏจทุกข์ทั้งหมด ส่วนความบริสุทธินั้นบ่งบอกถึงว่าจิตภายในนั้นไม่มีความเศร้าหมองอีกเลยแม้แต่น้อยนิดชีวิตที่เหลืออยู่มีแต่ความอิ่มเอิบเบิกบานร่าเริงบันเทิงอยู่ภายในจิตไม่มีทุกข์ไม่มีโศกไม่มีคำว่าความรับแคนใจ ไม่มีอำนาจแห่งความเร่าร้อนเดือดดาลหรือว่าดิ้นรนเหมือนคนที่ยังกระสับกระส่ายไม่อยู่ด้วยคำว่าความกระวนกระวายจิตอย่างนี้เรียกว่าบริสุทธิ์สะอาดผ่องใ ส, สเสมือน ถ้าเปรียบแค่เปรียบมันได้แค่ส่วนเดียวเปรียบเหมือนน้ำที่ใสสะอาดมีแต่ให้คุณค่าชีวิตไม่ทำลายชีวิตแม้แต่น้อยเลยนี่แค่เปรียบนแต่จริงๆมันมากกว่านั้นเขาเยอยมีสปปรรพคุณยมอยากเข้าใจว่า ความบริสุทธิ์ไม่มีสัรพคุธผู้ที่เขาหมดจดจากกิเลสแล้วนะย่อมมีอานิสงส์ที่เขาได้รับในจิตที่บริสุทธิ์นั่นนั้นอย่างพวกเรากินอาหารก็ยังลิ้มรสสัมผัสกายก็มีเย็นร้อน การกระทบก็ยังมีอ่อนแข็งตึงหย่อนและจิตที่บริสุทธิ์ก็ต้องได้รับในการสัมผัสอยู่ในสรพพคุณแห่งธรรมที่เกิดในจิตนั้นบันดาลให้เกิดความสุขเรียกว่าอมตะสุข สุขที่ไม่ตายแต่ชีวิตต้องตายทุกคนพระอระหันต์ท่านไม่กลัวเพราะท่านมีจิตมีความสุขที่ไม่เกิดจากคำว่าแก่เจ็บตาย ย่อนกว่านี้ลงมาจนถึงเราท่านทั้งหลายทุกทั่วตัวสัตว์บางคนก็ยังกัะสันกันอยู่ยังทยานกันอยู่ยังไม่รู้ว่าทิศทางจะไปไหนดีเนอบางคนยังเดินวนอยู่ ยังไม่รู้เขาไม่รู้จริงๆนะจิตยังขุนอยู่จิตยังมัวอยู่มันยังเศร้าโศกอยู่ยังหาที่ยึดจริงๆไม่ได้เลยที่พูดตรงนี้ไม่ได้หมายถึงว่าอาจจะมาเอง จะเพอร์เฟหมดทุกอย่างไม่ใช่ทุกอย่างต้องเริ่มจากการขวนขวายก่อนมนุษย์ต้องรู้จักก้าวไปข้างหน้าไม่หยุดอยู่ด้วยความเสื่อม เราลุกแล้วก็เดินไปข้างหน้าเพื่ออะไรเพื่อให้พ้นจากภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวงทั้งด้านร่างกายแล้วก็ภัยแห่งจิตวิญญาณกลายเป็นทุกขจิตทรมาน ไม่ดีทั้งนั้นฉะนั้นพวกเราต้องอาศัยคำว่าพระปัญญาที่ขุนหรือจะใช้รมพระปัญญาบริสุทธิ์มหาที่ขุนของพระองค์เอารวมสามเลยพระปัญญาบริสุทธิ์มหากรุณาธิคุณจงแผ่ มาถึงเราท่านทางหลายแล้วพวกเราก็ต้องน้อมด้วยน้อมจิตน้อมใจน้อมชีวิตอุทิศกายใจที่มีอยู่ในชีวิตนี่แหละ อาตมาเชื่อว่าพระพุทธเจ้าไม่ยินดีกับสิ่งที่เรามีภายนอกถ้ายินดีไม่สละสมบัติแต่พระองค์สละให้เห็นต่ำตำ ต, ำตาแล้วแม้แต่พระเจ้าจกักรพรรดิพระองค์ก็สละนับภาษาะไรกับ สมบัติของพวกเราที่มีแบบกระท่อนกระแท่นไม่ครบสูตรทั้งอำนาจวาสนาทั้งบารมีทั้งกำลังพลทั้งหมดแต่พระองค์ได้สละโลกนั้นแล้ว จริงๆต้องใช้ว่าพระพุทธเจ้าผู้สละโลกโลกนั้นจึงทับพระองค์ให้อยู่ในความมืดไม่ได้ให้พระองค์แบกอยู่ก็ไม่ได้เพราะพระองค์มีพระปัญญาบริสุทธ มหากรุณาธิคุณทั้งสามอย่างคำสุดท้ายไม่ใช่เล็กน้อยเพราะคำว่าพระมหากรุณาธิคุณจึงทนดูต่อสัตว์โลกที่ยังทุกข์อยู่ไม่ไหวอาสาบำเพ็ญเพื่อตรัสรุปเป็นพระพุทธเจ้าเรียกว่าบำเพ็ญเพื่อให้เป็นพระพุทธเจ้า สร้างพุทธภูมิขึ้นมากว่าจะได้เป็นคำว่าพระสัจยะมุนีหรือพระตถาคตหรือพระพุทธโคโดกในนามพระองค์โยมหลงฝังและน้อมตามพระมหาการุณา ในข้อสเนี่ยในสพรพพคุณที่เป็นหลักสำคัญใหญ่ๆพระองค์มีจุดนี้จึงต้องทนในการบําเพ็ญถ้าปรารถนาเป็นอรหันต์พระองค์อรหันต์ไปตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ไหนๆไปแล้ว ไม่ต้องรอประกาศว่าอีกสี่อสงไขยแสนกับหลอกแต่นั่นด้วยคำว่าพระมหากรุณาธิคุณต้องเนิ่นนานด้วยการละเวลาผ่านมาอีกไม่รู้เท่าไหร่อสงไขยบาลีก็บอกนับไม่ได้ไม่รู้นับจน แต่สุดท้ายพระองค์ก็จัดสรุด้วยพระมหาการุณาธิคุณคำนี้จะใช้ได้ต่อเมื่อจิตเริ่มจากคำว่าเป็นผู้อุทิศและเป็นผู้ให้เท่านั้นจึงจะใช้ได้ ถ้าไม่เช่นนั้นคำนี้จะเกิดไม่ได้พระมหากรุณาที่คุณจะใช้ไม่ได้เริ่มจากคำว่าอุทิตตนและเสียสลักคำนี้จึงปรากฏเกิดขึ้นอย่างพวกเราบางคนคำนี้จะไม่เกิดก็มี เกิดติดเดียวของคนในร้อยวันพันวันเกิดแค่สองวันสามวันเองนอกนี้มีแต่ความเห็นแก่ตัวพอยิ่งเข้าใจยิ่งรู้แล้วอาตมาในเลื่อมใสในะโย เกิดมาทั้งชีวิตไม่เคยกราบใครยังมีความสุขเหมือนกราบพระพุทธทเจ้าไม่เคยสละเสริญสิ่งใดที่พูดย้ำๆซ้ำๆเหมือนพระธรรมคำสอนของพระองค์ไม่รู้สึกว่าจะเบื่อเลยมีแต่จะดูดดื่มดูดดื่มมากขึ้นไปอีก จริงบอกว่ามันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ ท, ทั้งทั้งที่ว่าใจเราก่อนนั้นก็ไม่รู้สึกรู้สากับคำว่าพระธรรมสักเท่าไหร่ชอบไปทางขรังๆอยู่ยงคงกระพันมากกว่าออกไปทางบู๊บุ๊หน่อยเนี่ยมันรู้สึก เลือดลมมันวิ่งดีใจมันไม่ได้มาแบบจเจริญในเมตตาสักเท่าไหร่มีไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าไม่ถึงอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้เชื่อ สักเท่าไหร่ว่ามนุษย์จะเป็นผู้หมดกิเลสได้นี่เคยเหตุหนึ่งที่บวชอาจจะมาบวชจมานบวชแบบคนง่อทำไมเป็นคนง่อ เพราะว่าการบวชเรากลัวที่สุดโง่แล้วไม่รู้อะไรเลยจนตายไปกับชีวิตที่ไม่มีคำว่ามรรคผล จึงลั่นวาจาถามว่าในโลกใบนี้มีใครเป็นผู้ที่บริสุทธิ์จริงๆที่ไม่มีกิเลสมีไหมมนุษย์ในโลกใบนี้นี่คือคำที่ธรรมดั้งไว้ก่อนจะบวชไม่เคยคิดจะบวชพระไม่ได้นึกถึงพทธเจ้ า, าถึงขนาดที่พูดตรงนี้ก็เลย พยายามระลึกตรึกไปเรื่อยๆรู้แล้วว่ามนุษย์แม้อ้างว่าเป็นเทพก็ยังมากด้วยกิเลสทั้งนั้นยังอยากดีกว่าคนอื่นบางทีจะแย่งบุญเขาด้วยอีกจะมาบอกเออคน ด้อยกว่ากลับมองไม่เห็นประโยชน์คุณเห็นแต่วัตถุธรรมมากกว่าที่จะเห็นคุ ณ, ณธรรมของคนชักไม่แน่ใจมนุษย์แล้วทั้งที่เห็นเขาเป็นคนดีนั่นแหละแต่มันไม่บริสุทธิ์จริงสุดท้ายก็มาะระลึกถึงพระพุทธเจ้าคำตรัสรู้ เป็นผู้ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมดัสสาพระคะวะตอาระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะใช้คำว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้ไกลจากกิเลสดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองคํานี้แหละตรัสรู้ชอบไม่เคยได้ยินดับเพลิงเพลิงมันคือความร้อนกิเลสมันคือกองทุกข์ดับความร้อนเห็นความทุกข์ทั้งหลาย ไม่น่าเรียกว่าดับเย็น น, นิพานจะมาจริงใจนะคบกับใครแล้วขาดทุนทุกทีพกเงินไปเต็มกระเป๋าหมดก่อนเพื่อนเลยหน้าใหญ่จะไม่มริงใจนิสัยไม่ดีอย่างแถมจริงจังไปอีก นี่แหละคือสิ่งที่เราไม่เข้าใจบางเรื่องจริงจังมากไปมันไม่ดีจริงใจเนี่ยดีแล้วแต่ไม่ใช่ต้องจริงจังไปทุกๆุกอย่างสุดท้ายจะฆ่าตัวตายหรือที่สุดจะฆ่าคนอื่นด้วยนคนที่จริงจังกับโลกมากเกินไปคนนี้ไม่พ้นทุกเชื่อจะมาเถอะ แต่จริงใจนะเป็นคุณธรรมแต่จริงจังนะถ้ามากไปนะมันทำลายตัวเราแล้วก็ทำลายทุกอย่างที่อยู่รอบเราด้วยบางทีเราคุมตัวเองไม่ได้เอาตัดไปตรงนั้นที่สุดก็พบคำนี้ว่าผู้ดับกิเลสดับเพล โดยอะไรโดยทรทมเป็นยังไงธรรมะคือคุณากรรึถ้ามันง่ายอย่างนี้ไม่ต้องบวชนานไม่ต้องศึกษานา น, านไม่ต้องภาวานานเพียงแต่เป็นหัวข้อให้เรารู้หรือใครพูดก็ตามแต่ต้องลงมือปฏิบัติอริยสงเกิดตรงนี้ อาจจะมาไม่เคยเชื่อหนทางชีวิตของใครเท่ากับหนทางแห่งพระอริยเป็นผู้อยู่อย่างผู้ปราศจากเวรทั้งๆ ท, ที่ท่านก็เคยดุร้ายมาบางองค์นิสักเต็มเลยละ่ะตั้งแต่หัวถึงเล็บเท้านะ สักโอ้โหพอไปดูฝ่าเท้ายังมีอีกเนี่ยนะอ้าปากลิ้นยังสักอีกโอ้โหไม่ทราบในเหงือกสักหรือเปล่าไม่รู้ถ้ามีก็มันเหลือเกินแล้วล่ะสักแต่ทุกวัน เมื่อท่านได้ศึกษาทาปฏิบัติแล้วท่านบอกว่านั่นไม่ใช่ทางมันตรงใจอาตมามันเป็นทางเบี่ยงไม่ใช่ทางตรงสิ่งนั้นมีคุณมีโทษแต่สิ่งนี้โทษไม่มีมีแต่คุณคุณศีลคุณธรรมคุณธรรมชีวิต คุณค่าแห่งจิตวิญญาช่วยลูกหลานได้ด้วยซ้ำไปถึงบอกเออทางนี้แหละเราจะเดินไม่เคยคิดจะเป็นพระหรอกโยมตอนโยมจ้างมาก็ไม่บวชบวชก็ไม่อยู่เชื่อเถอะขณะจะบวชตอนแรก เขาบอกถ้าท่านบวชท่านก็ไปตีเจ้าอาวาสแน่เนะเขาพูดจริงๆไม่ได้พูดเล่นและไม่ใช่คนเด็กพูดผู้ใหญ่พูดเป็นระดับถึงครูบาอาจารย์โทษน่ะเขาใช้คำว่าไอสมชาติแล้วบวชเฮ้ยบวชมันเหมือนแยกขนาดนั้นเลยหรือ ถ้ากำลังเคี้ยวหมากนี่คายหมากบ้วนทิให้กูเอาหมากกลับมาเคี้ยวใหม่กูยังดีกว่าเห็นมึงบวชอีกเราประเสริฐขนาดนั้นเลยเหรอปะ่ะไม่ธรรมดานะยอมเอาหมากที่คายไปลงดินแล้วกลับมาเคี้ยกินใหม่ดีกว่าเห็นมึงบวชเนี่ยปะ่ะ เราถืงว่าประเสริฐที่สุดแล้วหายากที่คนจะมาเทียบได้นี่ไม่ได้ยอตัวเองนะเนี่ยติดๆเขาบอกเดีย๋ยวไปตีเจอาว่าถ้าใจร้อนผุนผันพันแรกอย่างเงี้ยเวลาต้องการรู้ความจริงพอไม่รู้แล้วมันหืมมันขึ้นนะมันขึ้นทเออ จริงใจดีจริงจังมากไม่ดีทำลายตัวเองและทำร้ายผู้อื่นจิตนี่ยังไม่รู้ต่อนกะจิตยังไม่รู้มันผิดโยมรู้ไหมชีวิตมันต้องมีวิธีปฏิบัติชีวิตมันต้องรู้คันลองชีวิตหลายเรื่องหรายอย่าง บางครั้งก็ต้องสงบเสียไม่ใช่วู่วามบางครั้งต้องอดทนอย่าหวั่นไหวเจ็บวันนี้มีความสำเร็จรออยู่ข้างหน้าทำไมไม่ทนวันนี้โบราณท่านบอกอดเปรี้ยวไว้กินหวานแต่มาไม่เข้าใจ แต่สรุปว่าเอาละยังไงยังไงก็หลุดมาแล้วละ่ะออกจากขุมนรกมาแล้วขุมไหนก็ไม่รู้ตอนนั้นน่พะพอบวชเสร็จยมรู้มาจิตเอนมาตั้งยังไงเข้าไปในโบสถ์อธิษฐานว่าข้าพระพุทธเจ้าชื่ออย่างนี้ ถึงไม่ทำให้พระศาสนาเจริญก็ไม่ทำให้เสื่อมแน่ดูคำอธิษฐานนะถึงไม่ยกย่อ ง, องพระไตรปิฎกแต่จะไม่ย่มยีพุทธพจน์ของพระพุทธทเจ้าอ่าอธิษฐานปานกลางก่อนเพราะยังไม่เชื่อตัวเองเหมือนกันถึงไม่ทำให้ใครศรัทธาแต่ก็ไม่ทำให้ชีวิตนั้น ให้เสื่อมลงอา้าวเท่าทุนนะตอนนี้เท่าทุนนะพูดจริงนะไม่พูดเล่นเพราะรู้ว่าตัวเองดีขนาดไหนอย่าบอกใครนะมาถูกองแ ล, ล้วล่ะอธิษฐานอย่างนี้เลยนะที่วัดเอี่ยมวานารามในเขาเรียกอิสานพันเอินโบดวัดซิมได้อยู่ในซิมในซิมนะ โบสถ์เ็เรียกสิมไม่ใช่ซิมนะสิมซิมนี้แก่แล้วลหละธตรมะอธิษฐานอยู่ในโบสถ์จำได้ถึงไม่ทําให้พระศาสนาเจริญก็จะไม่ทําให้เสือ่อมถึงไม่ยกย่องพระไตรปิฎกแต่จะไม่ย่ายีพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้า บทใหม่ๆเนี่ยการันตีได้แค่นี้ก่อนเนเพราะดีมากคือคนง่ออยู่จะอะไรกับคนง่อไปนั่งอยู่ในป่าช้าตั้งครึ่งปีโยมว่าฉลาดไหมละ่ะมีคนฉลาดเข้าป่าช้าไหมไม่มีมีแต่คนง่อ เข้าไปนั่งถามว่าเข้าไปนั่งหาอะไรหาแสงสว่างในความมืดอ่ะง้อไหมคิดเป็นไหมคำนี้ไปหาแสงสว่างในความมืดไปหาความสงบในท่ามกลางแห่งความวุ่นวายไปหาสิ่งที่ไม่รู้ ให้เกิดตัวรู้ขึ้นมาไปหาความตายที่ไม่ตายโง่ไหมโง่แบบมีสติเออเข้าข้างนิดหนึ่งเริ่มพิจารณาฝึกตั้งแต่เริ่มเดินเมื่อก่อนจะมาเดินสายนะ มืออมือซ้ายลวงกระเปามือขวาสายกลัวไม่รู้ว่าพี่ใหญ่เดินโห้ยกวนโอ้ยเลยละยอะเลยเดินสายเลยถ้ายิ่งสักวันแรกเดินนี่สามมานี่เดินผ่ากลางเลยโย่เปิดไฟสูงผ่ามาเขาหลีกให้ถ้าไม่หลีกอาจะมาตายโชคดีนะพวกมึงไม่ติดคุกแต่กูโชคดีกว่าที่ไม่ตาย พูดภาษาตอนนั้นต้องเป็นอย่างนั้นนะเดินสายเลยโอ้โหตัวนี้พองโยมลืมว่าสองเท้าเดินมาหกเท้ามันสู้กันไม่ไหวนะแต่เชื่อว่าหนุมานจะช่วยพ่อได้นะแล้วฮันุมานตัวนี้มันคุกฝุ่นด้วยแต่มากกว่าจะคุกฝุ่นตรงใจฟันหักไปหลายซี่แล้วยม ๋ยเอย่าขำสิ้วเวลาหาเป็นดาเป็นเดือนมากลัวหามาเป็นซี่ซี่ทีนี้นี่เรื่องจริงน่ะใจมันคุกเดนินโอ้โหผอนึกขึ้นมาเสียวแปบเสียวแปบอยู่ทำไมไม่ตายบุญช่วยบุญคำ้ำบุญชูมีอะไรโดนใจให้ บุคคลเลนั้นให้เมตตาเราไม่ใช่เขากลัวหรอกตัวเท่าแมวเนี่ยยุติสิบห้านะไปแล้วสักเดินสายเลยกลับมากลัวพ่อไม่รู้ถอดเสื้อให้ดูพ่อขันหน้าอ่อนหนีเลย ว, ว่าจะมาคิดว่าทำไมพ่อไม่ชมสักคำทำไมไม่ชมเราสักคำแหมอุตส่าเจ็บตัวมาตั้งนั้นเยอะ ตอนึกถึงตอนนี้นะเหมือนเราไปทำลายใจท่านท่านให้มาดี ด, ดันทะลึง่งดันไปทะลึง่งขนาดไปสักนะท่านพระอาจารย์แยบนะท่านรักอาตมานะธารมาไปท่านรัก สิบาทค่าขายคูท่านท่านให้คาถาบอกเออเอาคาถาท่องไว้นะเวลาเจ็บท่องไว้อตมาก็วาดอนุมานเสือหน้าเสือหลังอนุมานหอเข็มลงแทมแทมทิมทิมอตมาก็ท่องไปท่องมาท่องมาท่องไปท่องมาท่องจนหลงไงโยมเจ็บอึดอัดคงทนทนทนทอึดอัดคงทนทนทนทอึดอัดคงไม่ทนทนไม่ทานแล้ว มันกูตายแล้วยุดนายเพยื่อนมูลแดงบอกอาจารย์ครับอาจารย์เหนื่อยแล้วครับกินน้ําก่อนครับจริงๆริงพี่เราจะตายแล้วท่องจนพระคาถานี้หลุดเลยโยมอัดคนทนคนคนนั้น อ, อัดคนทนคนค น, ๆๆนั้นนั้นกูทนไม่นานแล้วจะตายแล้วโยกเชื่อไหมโยพกพอกลับบ้านนี่ยนะ กระดุมเสื้อใส่ไม่ได้เลยมันปวดล้าไปหมดถูกเสื้อโอ้ยน้ำเหลืองน้ำเหลืองติดดึงกึกเจ็บนอนจริ่งกวเสือป่วยอยู่หลายวันอ๋อที่บอกคางเหลืองเรามาเข้าใจแล้วมันอย่างนี้อย่างนี้โอ้เจ็บอาบน้ําอาบไม่ได้นาะโยม อาแบบครึ่งท่อนกงโค้งเอามือเท้าแล้วก็ลดครึ่งเดียวให้โดนแค่หลังนั้นหน้าอย่าโดนน้ำเหลืองยังเย้าอยู่ไม่เชื่อไปสากดูเลยเอาทีเดียวจบม้วนเลยนะบทไหนก็เอาไม่อยู่เจอเข็มตึกกักตึกกนา่ะาได้ยได้เสียงเข็มดึงเนื้อตึกตึกตึกตึกเวลาแทงดังปกปกทิมถึงไอ้นี่น่ะนี่ยสี่โค้งปกปักปกปัก ไม่ใช่ปกปักรักษาโยมปกปักจะตายปกปักจะตายนี่ถึงไหนแล้วเนี่ย อ, อ๋อใกล้บรรลุแล้วละพระมหากรุณาธิคุณนะไปไกลเลยเนะี่ยเวลาผ่านมามันขำนอชีวิตแต่ตอนเจ็บโยมว่าขำอย่างนี้ไหมไม่ขำหรอก มันระบมไปหมดเลยโยมนั่นแหละคือเราไม่รู้ไงอัตมากลัวที่สุดคือไม่รู้ความจริงถ้ามีนักปราศถ้าดมาพบนักปราดตั้งแต่เด็กอัตมาก็จะเดินอีกแบบเนี่ยู้ยะจัดไว้ดีแล้วว่าให้คบบัณฑิตไว้เลือกคบบัณฑิต เลือกครบสัตว์บุรุษไว้ไม่ใช่อสัตว์บุรุษอสัต์บุรุษพูดคำเทศสัตว์บุรุษพูดความจริงอธมายเห็นเหล่าพระอริยนี่คือทางเดินของพระอาหารหันต์สายปฏิบัติภาวนาหรือผู้สืบในการดำรงซึ่งพุทธพจน ยมอย่าดูถูกพระศึกษาปริยัติธรรมปีกหนึ่งทรงไว้ซึ่งพุทธพจน์ให้ท่านเรียนไว้อีกปีกหนึ่งให้ภาวนาเอาไว้าศาสนาจะแข็งแรงขาดยังได้ยังหนึ่งอีกไม่นานจะด้อยลงอาตมาเนี่ยเข้าใจนะ พอเราเข้าไปจริงโอ้โหกว่าจะได้ประโยคนหนึ่งประโยคนสองถึงประโยคนเก้าโยมเว้ยท่องกันนอน ล, อละเมอเลยละโยมปุงหนึ่งปุงนั ง, ง, นงกว่าจะจบได้ท่องกันนะ่ะนี่เมื่งไปเจอครูบาอาจารย์องค์หนึ่งอายุห้าสิบสองพอท่านท่านประโยชน์นะโอ้ยท่านโยคนผมไม่ได้ประโยคนะเนี่ยผมยังสอบประโยคนสามอยู่ตั้งหลายปีแนละ้ว ใครสอบได้เป็นมหาประโยคนสามขึ้นไปผมให้องค์ล้วหมื่นท่านบอกยังไม่มีใครได้เลยพระอยู่กับลูกเนรพระอยู่กับท่านสี่สิบองนะจะมาฟังศรัทธามีเงินหมื่นบอกท่านแบ่งคนละห้าพันนะท่านบอกสาธุก็ท่านห0 0พันตมาเก็บห0 0พันเพราะต้องเดินทางกลับเดี๋ยวมีคาน้้ามันถาวายท่าน โอ้ท่านเล่าเราฟังแล้วโอ้โหท่านก็เสียสละอีกแบบเนี่ยถึงบอกเออดีดีเราไม่เรียนตรงนี้แต่มีคนดูแลพุทธพจน์อยู่าศาสนาเรายัางเข้มแข็งอยู่เหลือแต่ปฏิบัติอย่างเดียวด้อยมีแต่พุทธพจน์ไม่มีปฏิบัติด้อยสองขาเดินถึงเร็วหนึ่งขา เหมือนคนพิการนะนันยมต้องเข้าใจใหม่นะอย่าไปไปว่าพระที่ท่านเรียนศึกษาไม่ปฏิบัติเข้าใจผิดแล้ะนั่นคือส่วนหนึ่งทรงไว้ซึ่งพระไตรปิฎกทรงไว้ซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่งั้นแตมาไม่กราบท่านหรอกแล้วให้ใครดูแลพุทธพ์ธถามหน่อย มันต้องมีทั้งสองฝ่ายจะมาบอกเออพอเราเข้าไปจะมาเป็นคนโง่ไงจะบอกไปไหนจะมาพิจารณาไปเรื่อยก่อนไม่สรุปอะไรทั้งหมดแล้วก็มองเนื้อผ้ากว่าถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ถ้าใช่ก็คือใช่ไม่ใช่ว่าคาดหวังว่าต้องอารหาหันหมดทุกองค์สังคมเข้าใจผิดแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีอารหารัน มีมันเป็นคันลองมันเหมือนกับมนุษย์ในโลกใบนี้ขายก๋วยเตี๋ยวหมดได้ไหมม ใ, ใครไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกินขายข้าวแกงหมดมีใครไปซื้อข้าวแกงบ้างขายเสื้อผ้าหมดมีใครไปซื้อเสื้อผ้าอยู่อย่างนี้ดีแล้วให้มีหลากหลายไว้จึงจะอยู่รอดโยมดูต้นไม้จริงว่าต้นไม้เนี่ยสารสุดท้ายคือแก่น แต่ถ้ามีแก่นไม่มีเปลือกต้นไม้ไม่มีน้ำเลี้ยงตายตายไม่มีใบต้นไม้หมดร่มเงาใครจะไปนั่งต่มมานั่งพิจารณาธรรมตรงนี้บอกชัดชัดแล้วชัดแล้วชัดและศาสศาสนามีหลากหลายเนี่ยถูกแล้ว คนไม่ได้ศรัทธาเราทั้งหมดอะไรก็ได้ให้โยมมีที่พึ่งจุดใดจุดหนึ่งนั่นแหละสำเร็จแล้วประโยชน์ตรงนั้นแต่ถ้าไม่ศรัทธาศาสนาจะอยู่ไม่ได้ในที่สุดก็สิ้นสุดลงไม่มีเสียงสาธุไม่เกินอีกยี่สิบปีทุกอย่างสิ้นสุดลง แต่ตราบใดเสียงสาธุยังดังกึงกก้องลำปนาตอยู่นะโอ้โหเหล่าทวยเทพจังหลายเขาก็โมทนากับพวกเราในโลกมนุษย์นี้เพราะเขาที่ได้เป็นทวยเทพก็อาศัยบุญจากนี้เหมือนกันไม่ไดนดีมาจากไหนหรอกจริงไหมท่านแน่มันก็อย่างนี้จริงๆ สมควรเวลาเนาะในการฟังธรรมเราก็ดูจิตต่อไปนะขอยุติแต่เพียงเท่า น, นี้ขอเจริญพร